ทำไมสามีภรรยาที่มาอยู่ด้วยกันก็รักกันก็เป็นทุกข์หรอคะอาจารย์เป็นเราดูพระสูตรในพระพิธรรมเราจะเห็นชัดเลยว่าอะไรบีบเค้นกันคือของสองสิ่งมาประกอบมาอยู่ร่วมกันทุกข์ทั้งนั้นนะครับแต่เป็นความหมายว่าทุกข์ด้วยสิ่งไหนบีบเค้นสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สามีภรรยาเนี่ยมาอยู่ด้วยกันอิงอาศัยกันการ่าวที่อิงอาศัยกันนั้นมันเป็นภาวะแห่งความบีบเค้นโดยอัตโนมัติบีบเค้นจากอะไรจากความต้องการมาตรฐานความดีงามความคิดเห็นความพอใจความไม่พอใจกิเลสตัณหาที่ถีมานะของแต่ละคบอารมณ์ต่างๆไม่ได้มาบีบเค้นกันในพะความบริสุทธิ์เนี่ยมันมอีองค์ประกอบมากมาย สุดท้ายต่อมามันก็จากความรักก็แปลเปลี่ยนเป็นความนายได้ความนายก็เป็นไม่พอใจได้เป็นโกรดเป็นเกลียดเป็นเบาียบบัตรเนื่งถ้าบริหารชีวิตคู่ไม่ดีชีวิตคู่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ฐานะความสัมพันธ์มันก็เปลี่ยนแล้เพราะความสำคัญนีน่แหละคือภาวะทุกข์จำไว้นนะใครที่ถามเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์คือทุกข์ ในแบบความสัมพันธ์ที่ดีๆตรงไปตรงมาอย่างทุกภาษาอะไรครับความสัมพันธ์ที่ไม่ตรงไปตรงมาลับๆซ่อนๆล่อๆ ล, อลวงๆห ล, ลบๆห ล, ล, ลอกๆมันยิ่งทุกข์คนคนหนึ่งเนี่ยมันมีกายมันมีใจในใจก็มีกิเลสครับมีตัณหามีปัญญามีคุณธรรมมีความโง่ มีอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจแต่สิ่งพวกนี้ล่ะมันบีบมันเค้นกันอยู่ตลอดเวลามันบีบมันเค้นอยู่ในใจของเราเราไม่เห็นไม่เห็นอาการมันบีบเค้นกันยิ่งเวลามันสุกเราก็อยากจะรักษามันไว้ให้ตลอดเพราะเราไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ยามเศร้าโศกเราเครียดเราเก็บนําไว้นานเราก็อยากใช้มันหายไป ความสุขเศร้าทั้งหลายทั้งปวงันอยู่ในภาวะทุกข์หมดเป็นทุกขาดภาวะถ้าใครจะสุขก็เป็นเพียงแค่สุขบนทุกข์แค่นั้นเองถ้าใครจะเศร้าก็เป็นเศร้าบนทุกข์มันไม่ใช่สุขบริสุทธิ์ไม่มีเศร้าบริสุทธิ์ปรุงเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อยกเว้น จิตใจของเราแม้เราจะอยู่โดยตนเองโดยลาพังนะไม่อยู่เป็นคู่ไม่มีลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ตัวใจเองก็ยังปรุงอยู่โดยธรรมชาติของมันทุกหยดไม่มีใจก็ยังทุกนั่งอทู่เฉยทุกเสือชาใช่เป็นธรรมชาติ นี่แลท่านทั้งหลายที่เราบริหารกันอยู่ทุกวันเนี้ยบริหารชีวิตความเป็นอยู่ความสะดวกสบายต่างๆเ ท, โโโงเทคโนโลยีเทคโนโลยีด้วยเหตุผลเดียวก็คือการพยายามจัดการทุกข์หรือการกบเกลี่อนทุกข์เช่นเวลาเราหิวเนี่ยเราก็ต้องรีบกินใช่ไหมทุกมันสงบเราเมื่อยเรานั่งนานๆเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่างนี้อย่าปว ด, ปวดฉี่ลุปไปฉี่ปวดขี้ลุบไปขี้ไม่มีเงินต้องหาเราแค่บริหาร บริหารเพื่อให้เราทุกข์น้อยแค่นั้นเองจริงเราไม่ได้บริหารให้เราสุขเราบริหารแค่เราทุกข์น้อยแต่เราจะยอมรับมันไหมใ น, นพระพุทธเจ้าท่านถึัดไว้ว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นและทุกข์เท่านั้นที่ถับไป